อนั่งตามสบายต้องพป็นมือก็ได้นั่งงไงอะให้มันสบายจริงๆข้างในกัวอีกขัางเยอะางน อ, อกไปคุยกันถ้าข้างในมันมันจะคุยกันไม่ได้ก่อนอื่นแนะนำาสถาที่ก่อนเนาะตั้งศพตั้งห้าวันแล้วนม่เห็นเจ้าว้านเลย ก็มาอยู่วิ่งไปวิ่งมาวันนี้ก็เพิ่งมาไปงานศพเหมือนกันพระก็ไปงานศพเหมือนกันเป็นงานศพพร ะ, บบ พ, ระพระก็ตายเป็นนะแต่ท่านคายุยืนเก้าสิบกว่ามึงปุญจายนเก้าสิบกว่าลงเครื่องมากะส่งน้ำอาจารย์ไรมนก็รีบมาเมอวนคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้ว ก็ถือว่กาสแนะนําสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาวัาดสัตยธรรมหลายท่านกับคุณอาคุณตาคนนึงลูกหลานศรัทธาที่นี่หลายคนแต่ท่านที่ยังไม่เคยมาเพราะว่ายังเห็นหลงเข้าไปห้องน้ําข้างในยี่ยงห้องน้ําด้านหลังก็มีห้องน้ําสวยหรูเลยบางคนก็ไม่รู้เพื่ห้องน้ําข้างหลังก็นี ก็แนะนำสถานที่แนะนำวัดป่าอารามก่อนเนาะตอนนี้คืนสุดท้ายแล้ววัดนี้เป็นวัดร้างเก่าเดิมชื่อวัดกุญชองซึ่งอยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้บุญชรที่แปลว่าช้างวัดเกิดในตำบลตาบลช้างเผือกเข้าใจว่าในนะ มัง น, นั้นน่าจะเป็นข้าราชการผดีผลสร้างเพราะว่าถ้าเป็นคนมียุท ธ, ธาภรณศักดิ์เขาจะสร้างวัดอยู่ในครูเมืองแต่นะคนที่มียศเช่นจ่าพันอย่างเงี้ยตำแหน่งถนนจ่าบ้านวัดพันเตาวัดพันตองวัดเนี่ยคือบหลักพันในพันในพันประมาณเนี้ยไปรับสวงคามาเสร็จก็คือจะสร้างวัดเหมือนคติพมา่า เพราะว่าพระมานี่เวลาไปรบทับจับศึกมาบูชนาสิบทิเสร็จแล้วก็ฆ่าคนมาเยอะมนันก็ไทบาปโดยการสร้างรัดคดีอันนี้ก็เหมือนตกทอดมาถึงเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่ตกมลิข้นอันนี้สิ่งที่เราไม่อยากพูดตกมาขึ้นข้ามมาสองร้ยกว่าปี <laughs> มันก็เลยคดีนี้ก็ยังสื บ, สบต่อกันมาเพราะฉะนั้น กูเมืองชั้นในก็จะมีเป็นวัดเจ้านายส่วนวัดข้างนอกก็จะมีเป็นกหาาังบดีอย่างนี้วัดกุณชร์น่าจะเป็นวัดตีเลี้ยงช้างคิดว่าในรู้ในหวังคว่าน่าเป็นกหาาังบดีหลังวัดไปจะเป็นวัดชื่อย่าวัดย่าผ้าขาวกะหาบาับดีเพราะนั้นตอนนี้เป็นวัดล่างเก่าเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มก็คือลูก ป, ปู่เสียงพุทธาเจ้าโรหรือตลางท่านประโยู่ท่ามผป่อง เมื่อประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองกำลังกาลังเสร็จไม่ใหม่เพรนั้นเมื่อผูกกัามาได้มา่อที่ตัวนี้ของคุณพระอาสาสงครามต่อยหัดสดิศรีวี ย, ยพันโทคนนี้ยูคนคนเสน็หในรู้ในวงังยศคุณพระอาสาสงคราม นามสกุลหัสดิเสวีเพราะฉะนั้นหน้าวัดเราตั้งแต่ที่แยกแกงห้อหนึงจนถึงแยกจุกตากแล้วถลนหัสดีเสวีตามชื่อของท่านเขาร่วมากันก่อตั้งวัดมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีเจ้าวัดมาแล้วสองท่านคือองค์แรกก็คือหลวงปู่เสีมพุทธาเจริญเป็นสิทธิ์รู้แจงของหลวงปู่มันรูกที่สองคือสิทธ์เอกของหลวงปู่เสีมก็คือหลวงปู่ทองอิน์ปุสราเจโต องที่สามก็คือปฐมานี่แหละมาสามรุม่นแล้วเมื่อนั้นถ้าใครมีโอกาสสำหรับคนที่ไม well ่เคยมาก็แนะนำบนพิพธภัณฑ์พิพิภัณฑ์ของเราที่เห็นนี่จะมีอธิษฐานของครูบาอาจารย์เยอะมากหลายร้อยรูปตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาท่านกลับมาอาจจะยังไม่เจอที่เราเราเปิดอยู่เปิดทั้งวันคืนีก็เปิด แต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่เยอะมากเรีวทั่วประเทศอะทั้งเหนือตั้งแต่วัดเจ้าศรีวิชัยที่ไปอถินตัวที่วัดนี้น่าจะไม่มีสถิตินะมันก็น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาส เ, าเวลาเราลองไปชมดูชุมองเดียวไม่ครบดูไม่ครบนี่คือความเป็นมาของวัดสจติธรรม เป็นพระป่าพระสายกรรมฐานสายหลวงปูม่มั่งหลวงปู่ศุลหลปู่แหวนปู่เปลี่ยนหลวปูะไปศิษย์ไปสายนี้นี่คือประวัติย่อๆคร่าวๆที่มาถึงงานของคุณแม่มั่งเมื่อกี้ประบอกไปงานศพพระก็ข้าสิบกว่าคุณยายเราก็ข้าวสิบกว่าถึงก็บมีคนมีอายุยืนปาบอกว่าคนที่มีอายุยืนคือ ที่มีสินหา้าครบไม่ไมปิดเบียรสัตว์ปิดเบียรสัตว์น้อยมากอายุกระเยืนคนที่ปิดเบียรสัตว์บ่อยอายุสั้นว่างงั้นการที่เราทุกการกระทําที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันล้วนมีความหมายมีความหมายในชีวิตประจำวันจริงอันนี้เริ่มเทศแล้วนะไม่เทพบนนะะเทศอย่างนี้แหละพูดอยนี้ เราจะพูดกันอย่างนี้ที่ว่ามีขหมายเพราะว่าเริ่มต้นจากคือไหว้พระสมทานศีน่ยถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเหมือนมันธรรมดมมา ไ, ดไปวัดไหนก็บานนี้สมมติถ้าท่านไหนมามาทั้งห้าวันก็รับศีลทั้งห้าวันเราก็ไม่ได้คิดอะไรเรคิดว่าอือพระศีลเราก็รับไปปนาติปตาสุรามิระยะจะออกจากวัดไปอีกเรื่องหนึง่ง อันนี้คือถ้าถ้าเราไม่ใช่ปัญญาคือใช้สัญญาอย่างเดียวคือคือจําเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมจนกายเป็นพิธีเ ก, รรกรรินเกิดกลเป็นนี่มีความหมายอะ้เลยทางทางที่โบราณอาจารย์ที่บดิษฐ์นภาตร์ได้คิดค้นพิธีกรรมเหล่านี้มาเนี่ยโอ้ติวสุ ด, ดอยอดยอะอกมาเริ่มต้จนจากไปพไระเห็นไหมไปพระแล้วก็นึกถึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์ไปรเรื่องใใการแก้ตัวจริงทําให้ใจเราเป็นพระ ให้พระคุณประทานประตรงอยู่ในใจมันเกี่ยวกับพุทธรูปเหนือพระสมทานศิลก็คือให้เราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเห็นความแตกต่างระวังคนมนุษย์สัตว์พระต่างกันยังไงหมถึงใจไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวรูปร่างรูปร่างสมมติอย่างนี้คือพระในพระโดยสมมตินเนนสมมติเป็นเนนจะคารวะที่เป็นผู้อยู่ผู้ชายแต่ใจจริงๆอะถ้าทุกคนใจเป็นพระมันเป็นพระได้หมดนี่คือความหมาย เราเข้าใจว่าพระก็คือเห็นภัยใส่ชุดเหลืองก่อนเขาเป็นพระไม่ใช่ตอนั้นเขาบอกว่าอ่างสมาสวักะโตสุปินนอนนั้นในคุณสมบัติของพระไม่พระอย่างนี้มีพุทธรูปถ้าใจเราเป็นพระนี่พะระคือเปรตมันสูงกว่าทั้งหมดเลยอความลดลังระดับถ้าเป็นความระดับต้องมีสินครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีศินสมมติว่าไม่มีศิลเลย อันนี้เปรียบเทียบฟังเฉยนะไม่ใช่ไม่ว่ า, วาใครเราต้องนึกถึงพวกสองขาสีขามีเขาทั้งหลายแหละกุ้งหอยปูปลาช้างมา้าโบควายเขาไม่มีสินตัวนะเห็นได้ออยา ง, งความแตกต่างนี่เมืออเราหมดกินกามเกลยดเกล็ตเราคงจะไม่มีนี่เหมือนพวกเราเลยแต่ต่างกันตรงนี้แหละคือข้อเดียวก็ไม่มีประทาไม่ได้ เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าจิตหรือใจของเราเนี่ยไม่มีสินสักข้อเลยมันจะตกตำ่ำไหนหมายคือว่าจิตออกจากล่างไปเหมือนคุณยายสมมุติเราจางล่างไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้เคยกับพระไม่คุ้นเคยกับสินเลยมันจะไหลไปไหนจิตอะของหนักมันก็ลงต่ําของเบาไปสูงนั่นคือธรรมชาติจิตก็เหมือนกันจิตเราถ้าจิตเรามันหนักมันก็ไหลลงต่ําจิตมาสูงก็ขึ้นสูงเนี่ย เป็นทำไมวะโอเรื่องสินนั้นสำคัญนะอย่างน้อยที่สุดก็คือทบองชวนสินเข้าไปว่าถ้ามันมันไม่ได้ห้าข้อก็ให้ได้ทักงสองสามข้อก็ยังดีนะแต่เราต้องถือเสมอนึกไว้แจวว่าวันนี้เรายนะังได้ทั้งสองข้อสามข้อก็ยังดีแต่พันไหนนึกอะไรไม่ออกเลยนะโอวันเป็นคนไม่ได้นะแตถ้ามีสองสามึ้อเขาเรียกว่าคนไม่ใช่สัตว์แล้วนะสัตว์มันไม่มีเขาเรียกว่าคนคือมีสินบ้างไม่มีสินบ้างนะเขาเรียกว่าคน แต่ถ้าใครมีสินครอบเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์ต่างกันตรงนี้นะต่างกันตรงนี้มนุษย์มันละอุตส่าห์แต่เอาใจสูงสูงกว่าอะไรสูงออกคนสูงกว่าสัตว์คำว่าสูงมันมาเช่อยู่ที่สูงในใ่อยู่สวรรค์อยู่ในพานไม่ใจเนี่ยคําว่าสูงมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกองพวกนี้มันอยู่ที่ใจไม่เจวกับสภาพไม่เจอกภาวะร่างกายไม่เกี่ยวกับเพศพม่ยิงไปใช้ไม่เกี่ยว อันนี้เราใช้ก bon ับคนเป็นนะมเขาบอกใช้กับคนคนตายเหมือนคุณยายไหมโบราคนตายโบราณเก็บอกว่าอะไรเขาพูดให้มันดูดีมันตาเขาบอกหมดบุญคือหมดโอกาสที่จะทาบุญหลุดไม่ทำบาปเบือนหมดแล้วคือไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วอันนี้คือความต่าง เพราะนั้นถ้าเราโอวนาอิโกคือมาแล้วก็มาฟังตั้งใจฟังอย่างพระพูดประเทศแต่ละคำแต่ละประโยคอันมีความหมายถ ท, ทาทอดจากคำของพระพุทธเจ้าหรือคำที่อาจจะสวดต่อไปนี้เราพบเป็นคนตายเนี่ยก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลสหรับชีวิตเราในการดาเนินชีวิตประจำวันก็สามเรื่องเระนั้นเรื่องหนึ่งคือความคิดเรื่องทีสองคือ คำพูดเรื่องสามพฤตกรรมกัทั้งสามอย่างเนี่ยเราเราื่งภาษาศาสนาแล้วเ้าเรียกว่า ก, กรรมคือกรรมเกิดจากสามอย่างแค่ น, นี้ไม่นเกินแต่แค่นี้เห็นี้มคาพูดถึงกรรมัมนเราไปนเรื่งผลของกา ร, รเราไปมุ่งที่ผลของกรรเพรากเจะไม่เข้าใจหรือว่าค่อยเสหรือว่าอะไรก็แล้วแวต่เราก็จะไปแก้กรันจะแก้ไปเองไหมะ แปเแอหมอดูหมอเดาจเจ้าทรงหรือครูบาอาจารย์วันนั้นวันนี้ไปแก้กรรมเขาคงจะได้ยินแก้ได้ไหมกลับมาแล้พูดหยาบคายเหมือนเดิมมันแก้ได้ไหมกลับมาได้ฆ่าสัตว์ชีวิาาตาเหมือนเดิมแก้ได้ไหมแก้แค่ออะไรแก้ก็ได้คนอื่นแก้เราไม่ได้มันเป็นความคิดของเราเราคิดหยาบคายเองคิดไม่ดีเอง ที่แสดงออกทางการพูดและการกระทำเนี่ยเรื่องมนโนกรรมเนี่ยเราไเป็นแบบทินพนาผู้เจ้าเวลาตลับอากมาเนี่ยในสมาธิสีเี๋วินมักมีองแหวนอ่ะตัวแรกก็คือตัวที่เนี่ยสมาธิสี่คือจากการนึกสมคิดก่อนถ้าเราเป็นระบบก่อนเราฉลาดอยูอค่คำพิสิทิ์เนี่ยคิดนําิ์นไปสู่คําพูดคําพูดทั้งระวังกาพูดสุขการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกประจึงเรียกว่ากรรม ถาจะแก้แก้สารอย่างนั้นไม่ต้อไปให้ไปแก้ให้เขแก้ไม่ได้มากัะตัวเราเนี่คือการแก้กรรมแต่เนีนี้คือพูดวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนอย่างนี้แล้วก็นำไปสู่วิธีกรรมอีกวิธีกรรมคืออะไรเดี๋ยวสักพรั้งสมัยต้องเทศเพราะว่าถ้าส่วนเราสามไม่เข้าใจถ้าเกิดถ้าเกิดสวดเดิมๆนี่แหละ เาจะบอกกูชลาทรรมาอากูชลาธรรมาอภิยากตาทรรมาเราของเราไม่แต่อะไรก็ฟังคืออะไรก็ไม่รู้นะก็พูดสามเรื่องแค่นี้แหละที่มีอิทธิพลต่อพวกเราคือหนึ่งคือจิตของเราเนี่ยหนึ่งมันเป็น ล, ลักลานเป็นกุศลคือฉลาดอากุชลาธรมาคือไม่ฉลาดอัพยะกตาหมาเป็นกลางจิตของเรามีสามวิธีแค่นี้แหละก็คือคนฉลาดสมองอ่ะฉลาดโง่แล้วก็เป็นกลาง คนฉลาดวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำก็อีกแบบหนึ่งอีคนฉลาดหมือนถ้าทักจบเป็นฉลาดนะแต่คนที่ไม่ฉลาดนีวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำมันก็อีกแบบหนึ่งแต่จะให้เป็นกลางก็คืออัพยากระดามวา ง, าง ค, คือต้องเป็นกลางคือวางอารมณ์เป็นกลางปรสาทเรื่ออุเบกขาคือวางอารมณ์นะคือสามเรื่องแค่นี้แนะท่านก็นจะพูดต่ออีกปุสาธรระเวลาท่านบอกว่า สุขายาเวทนาถ้าจัดการสามอย่างนี้ไได้กุศลาอกุศลาอัพยากตะมันจะเป็นสุขาเวทนามันก็เฉไวเฉไวอะไรถ้ามันทําดีมันก็เฉไวสุขาเวทนาถ้าทําไม่ดีก็ทุกขาเวทนาถ้าเจนมันเป็นกากอัพยากตะไม่เป็นไรอทุกคมะถ้าก็จะเรียงระดับตรงนี้เจ็ดข้ไปเรื่อยๆนี้เป็นคนนําสอนที่ดีมากเลยนะถ้าเราเข้าใจเป็นประชอดแปลเป็นภาษาไทยเราเป็นคำสอนที่ดีมาก เราสามารถใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่ว่าคำสวดจริงๆนะมันไม่ได้สวดให้คนตายเราไปใช้เอาสวดสวดอะไคนตายเราก็ผลนมือแปะแตดูดีไม่เข้า ใ, ใจสวดแล้คนเป็นคนตายคุณใจไปไหนแล้วก็ไม่รู้จิตใออกจากนางไปไหนไม่รู้ก็ไปไหนก็กุศลาถ้าใจฉลาดเข้าก็ไปดีอกุูสลาถ้าใจไม่ฉลาดมันก็ไปทางไม่ดี เป็นยาคาตาและเป็นกลางแบนทีนี้เคยคนถามอยู่เสมอเมา่อตายเสร็จไปถามหลวงพ่อคุยายตายแล้วไปไหนมกักจะสงสัยพวกเราตาแล้วไปไหนพวกเราพวกเราก็าตายแล้วไปไหนอาเป็นที่คนต้องการคำตอบทีนี้คือคือก็จะมาถามว่าอย่างคุณยาย ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ตั้งเก้าสิบกว่าปีนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าคุณยายเป็นอยู่ในสินอยู่ในธรรมเราไม่ต้องไปตกกังวลคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปตกหมกไม่ต้องไปสงสัยใดใดได้ทิ้งเลยว่าท่านไปดีแน่อนอนแต่ถ้าว่าคุณยายทําเรื่องไม่ดีมาตลอดชีวิตเราก็ไม่ต้องไปคิดเอื่องอื่นนหรือใจที่ย่จะเป็นกลางใจเป็นกลางทันมุ่งไปที่ จิต ท, ที่เป็นสมาธิพระจิตสมาธมันวางวางทั้งสุขว า, ว, วางเบทุกข์คือวางอารมณ์ได้ขณะที่เราปฏิบัติธรรมต้องการจิตทั้งเราเป็นอย่างนี้คือความเป็นกลางไม่มุ่งเลอความเป็นกลางคนที่ถูงความเป็นกลางหลังเมื่อกี้นสามท่านท่านประธานนั่งทางหนานี่เกเห็นภาพเก็เห็นภาพว่าเขาเป็นกลางเด็นยังไงท่านประธานอยู่ตรงกลาง เจอซ้ายเจอขวาสมมติขวามือของปรทานเนี่ยจะสุขเจอซ้ายมือประธา น, นจะทุกข์ถามว่าเราลังเกียดอะไรลังเกลดทุกข์ชอบสุขเราจรึงไม่ค่อยคุยกับเกลีทุกข์คุยกับชอบสุขเดีวทั้งชีวิตเป็นไงนะมั่งในนี้นนนเพื่อนไอคนที่ไม่ชอบไม่คุยเลย ไอ้เจ้าทุกข์นะทั้งทั้งเขาต้องคู่กันตลอดอ่ะตั้งแต่เราเกิดนะเวลาทําตัวมองไม่เห็นไเลยเหมือนอากาศนี่ถามว่าครูเจ้าสอนอะไรกันเพื่อเห็นเป็นธรรมแต่อใหคนจากคนาถามว่าครูเจ้าสอนอะไรครูเจ้าสอนเรื่องความทุกข์นี่เพื่ว่าอะไรทั้งชีวิตเราเราไม่ดูกับดูความความทุกข์เลยนะเวลาไม่ฟังผู้เจ้านันะ แต่เออดิ้นให้เยวะศกันเกิดทุ ก, ทกแหละแต่ทุกมันน้อยครูจะสอนอย่างนี้พราะนักพายดูทุกเพราะนั้นคนที่จิตที่พ้นจากอะไรเนี้ยท่านจะได้บอกพ้นทุกไม่ได้บอกพ้นสุขนะแถ้าอญญายะพาาระอ่านว่าครูบาอาจารย์ผุริี่เสด็แล้วท่านบอกพ้นทุกนะคือพ้นจากทุกไม่ได้พนจากสุขนะอย่างไรก็ตามคนที่จะไประับนั้นได้คือ คุณต้องรู้จักทั้งสองคนเะจะ้าทุกคุณก็ต้องรู้จักเจ้าสุขก็รู้จักสุดท้ายดีที่สุดก็คือไม่เข้ากับมันทั้งคู่หละผมไม่เกี่ยงอะไรกับเราเราคือใจเพราะอะไรเพราะว่าเราเราคุยเจ้าสุขสุขก็อยู่ในใจเราคุยเจ้าทุกทุกก็อยู่ในใจเราจริงเจ้าสุกเจ้าทุกไม่เกี่ยงอะไรกับเราเลยคือไม่เกี่ยงอะไรกับใจเลยถ้าแกเราเป็นกลางจริงไหม เพราะนั้นถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่ปฏิบัติหลังจะไม่แก้ไอ้สินงเหล่านี้เราก็จะสนใจแค่ขจ้าทุกข์เนี่ยก็คุยอยู่เนี้ยนะก็ฝ่าธนาอยู่อย่างนี้แหละเราจึงไม่ไปไหนมาไหนเลยเพราะขอให้เราไม่เข้าใจเพราะนั้นใจนี้ไปเราเริ่องไอ้เจ้าทุกับคุยมาทั้งชีวิตแล้วต้องการเบื่อเจ้าทุกข์มาหน่อยมันไปไยังไงมายังไงคือหาเหตุของมันเขาเหตุเขาว่าทุกข์เพราะอะไรถามเขาหน่อยก็จะได้รู้ปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาถูก ปณิจานนี้ไปคือต้องคุยกับทุกเยอะๆเพระสุขกับมันล้อหากันมานานแล้วทางจิตคุยกับทุกข์เยอะๆหน่อยบอกว่าเดี๋ยวเหมือนคุณยายเสร็จแล้วมันไม่ราคุยเลยนะจากนี้ไปคือไม่มีโอ ก, กาสแค่ตัวแล้วคือเลยตะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะแค่นี้เพราะฉะนั้นสามประเด็นสามเรื่องเนี่ยคือเป็นเรื่องแก่ของชีวิตนะสามอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ วิธีคิ ด, ดอยู่กับคิดของเราครับพูดอิสระออกและการกระทําถ้ามันจะมีผลผลอันนี้ยผลของควาคิดผลกับผู้ผู้กอบการกระทำผลเรียวกว่ากรรมแล้นใครจะแก้กรรมแก่สามนี้อย่างไรนี้นะไม่ได้ใครไปแก้ไม่ต้องให้เสียงินเสียทองไม่ต้องไปจุดทูปจุดเทียนไป โ, โหดพันเทียนไปซื้อเทียนบูชามาเลียบร้อสาบาทคือแก้กรรม เราก็กให้กระจายอย่างนี้นจุดเทียนแทนได้เราจะเห็นนะมองให้เป็นธรรมะคือเป็นธรรมอย่างเนี้ยวันนี้จุดสามเล่มหนึ่งสองสามจุดเทสละสามเล่มแล้ว เ, วเราได้อะไรทั้งชีวิตเราเคยเห็นอย่างเนี้ยเราก็ได้อะไรเสพ เ, เสร็จครับบูชาบระรังตายตย่างเพศยรอก็บูชาอภิธรรมอีกโบราาจารย์ต้องการสอนให้เราว่าเหมือนคุณยายนะ จุดเลยปุ๊บเองเหมือนคนเนี่ยเหมือนกันเกิดเราเข้าใจว่าการเกิดของเรามันจะยาวยืดยืนมากขึ้นเราเข้าใจผิดมันตรงกันข้ามชีวิตเราชีวิตเราไม่แต่สั้นลงสั้นลงมันไม่ได้ยาวขึ้นมันได้เพิ่มขึ้นเหมืนเทียนพันตะบอกอย่างนี้เทียนมันจุดเสร็จมันก็นจะสั้นลงสั้นลงบนชีวิตเราบนเชี่ยวของพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแต่ใครอายุจะเกินเจ็สิ้าขึ้นไปเต๋อได้กำไรละ ถ้าเกิดแปดสิบเหมือนคุณยายนะเรียกว่าเกินผู้เสีเจ้าแล้วผู้เจ้าแล้วอยู่แปดสิบปีนะคุณยายเก้เาสิบปึก โ, โอ้ลูกหลานไม่ต้องไปกุศลกังวลอะไรแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามร้อยปีนับได้แค่ร้อยเต็มที่นะโดยท้ายมันก็จะสั้นลงจนไม่เหลือเลยก็คือดับแต่เทียนเราเรียกว่าดับคนที่เรียกว่าตายอันเดียวกันเกียาอาการอันเดียวกันเลย แต่เรียกปยเปเอน อ, อย่างตอนนเองใช้ตัอย่างตอนนเองในคือปริศนาถ้านยายให้พวกเราเห็นแล้วก็เข้าใจว่าคือคิดให้เป็นธรรมะเราก็จะได้ประโยชน์แบบไม่ใช่จุดแค่จุดเทียนเสร็จแล้วกันกไปไอ้ามาันกกาสั้นลงสั้นลงไอ้ก็จุดอีกเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่เป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วม ง, งานศพปุญยายอย่าพูดถึงปุญญายไปป่อยปุญญาคุ ณ, ยยคณด้วย เพราะนั้นวันนี้เป็นคอนร์ตศึกษาเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราก็ไม่ใช่เรื่องเก่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นวงจรกเกว่าวัตตะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รับรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งสติเมื่อนที่เราพูดเกี่ยวเออถ้าเราตัดสุขกับทุกข์ออกจากใจเราจริงๆอลยใจมันจะอิสระทวุวเราทุกวันเราไม่อิสระเพราะว่ามันคล้องกับสุขกับทุกข์อยู่เรียกว่าสัตตะ นี่แปลว่าผูกคล้องค้องอันนี้แหละเราไม่สามารถจะสลัดอันใดอันหนึ่งออกไปได้นี่ถ้าเราสลัดออกนี่คือใจเข้าถึงใจเนี่ยใจจริงคือจิตดวงเดิมที่บอกพระพัฒสอนในพระพุทธตรัตน์มันอิสระวความที่เกิดมาแล้วมันจํามันเยอะทั้งชิตจำทั้งดีทั้งไม่จนแยกแยไม่ออกก็โดนส่งนี้เขาเรียกกิเลสกิเลส ค, คือเกิดแล้วทําให้ใจิตใจเราซ่อมหมองเพราะความใจเราซ่อมมองเพราะนั้น มีอยู่ที่เดียวก็คือหนึ่งชำระได้ด้วยคือเข้าถึงปรัชนาใจสองก็คือศินแล้วมันจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ในระดับอะไรโอภูมิภูมิของจิตมันก็จะไหลไ ป, ไปตามเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสงสัยว่าเออถ้าจิตเราไม่มีสินสักตัวเลยเมื่อจิตออกจากร่างแล้วสิลสักตัวก็ไม่มี อ, มอันตรายนะมันก็จะไหลไปตามระดับเยอะเยอะกว่ามนุษย์อนะมนุษย์เรานบนโลกปบันี้แค่มีแค่แปดพันล้านคนเอง ไม่เกี่ยวกับศาสนาสนามีแปดพัน 8, ล้านคนที่เหลือโหนับไม่ท้วนเลยสเพสตาณนะนับไม่ท้วนเลยเห็นไหมไม่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราจะประมาทในวัยค่ำคืนวันนี้ถือว่าปีคืนสุดท้ายสมมติเอาแค่คำนี้แล้วเอาไปคิดลักษณะคนนี้ปฏิบัติธรรมมาต้องคิดได้คือฟังอะไรเสร็จแล้วก็ไ่คิดสมมติว่าพระตอนบอกว่ า, วาคืนนี้ปีคืนสุดท้ายเออถ้าเป็นเราบ้างล่ะ ถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราเนะี่ยเราจะต้องทําอะไรโอ้ค oh, ง oh, oh, นอนไม่หลับลูกจะอยู่ยังไงกูยังตายแล้วกูจะแบบอา้าวสับสนได้หมดเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้คิดอย่างเนี้เรียกว่าเกิดปัญญาการปฏิบัติการฟังสุดท้ายต้องเกิดปัญญาไม่งั้นมันก็ได้แค่สัญญาคือจำเราจำมาทั้งชีวิตแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่เราเข้าใจว่าคนเก่งว่าปัญญาดีมันไม่ใช่ความจามันดีถ้าปัญญาไม่ดีทำไมมาฆ่าตัวตายทำไมต้องไปป้นคนอื่นเขาทำไมต้องไปฆ่าคนอื่นรอถ้ามีปัญญาดีเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้ยังฆ่าตัวตายก็เป็นปัญญาดีเลยสัญญาคือความจําความจำมันดีแต่ปัญญาเป็นคนละเรื่องนะเพราะนั่นที่เราทำเนี่ยก็เพื่อมุ่งให้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดสัญญาสัญญายิ่งเกิดยิ่งยุ่ง ยิจำมากยิ่งยุ่งยิ่งจาไม่ดีเนี่ยจำและแก้ไม่ได้เมื่อไหร่ก็เนึกถึงเนิ้งถึงในของไม่ดีของดีไม่เนิ้งถึงทั้งชีวิตเรามีทั้งดีและไม่ดีแต่ของไม่ดีเราไปเนิ้งถึงมันเบี่ยแหวยอธยิตังนาบาทำามยะบอกอย่าไปอยู่กับอดีตเลยนับปฏิกริยาณาคตังอย่าไปอยู่กับอนาคตผู้ชาของเราให้อยู่กับปัจจุบันสามวันเนี้ยเราจะเลือกอยู่กับวันไหน วันวานวันนี้วันพรุ่งนี้วันวา น, น, นคุณก็อยู่กับอดีตว่าจะวิธีคิดวิธีทำก็จะจมอยู่กับอดีตทั้งดี้และไม่ดีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหมไม่ได้อนาคตพวกนี้จะเป็นยังไงยังไม่เกิดขึ้นเลยเอาล่คือความไม่แน่นอนเราก็อยู่กับความไม่แน่นอนทั้งสี่นิสิตแต่ปัจจุบนนันคือความจริงความจริงต่นนั้นจะแก้แคบหนาดได้ขอให้เราต้อหมายอยู่ความจริงวันนี้นคุณยายจริงเนี่ยคือสัจจะ ไม่เกี่ยวก <literal> ับศาสนาเลยนะไม่เกี่ยวกับศาสนาที่เขาเรียกว่าสัจธรรมคือมันเป็นจริงตามธรรมชาติของเขาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะบอกเรา่มันไม่ใช่ของเรานะเราไม่ใช่เป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเรียนแต่ชีเห็นว่านี่คือสัจะธรรมนะไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวด้เกี่ยวกับชื่อได้เลยเป็นความจริงมบบนี้มาเป็นพันๆปีมาแล้วทั้นนั้นเรายังไม่เห็นความจริงเราก็เห็นธรรม ไปพอ่ออยิ่งก็คือผู้เจ้า บ, บอกว่าถ้าใครไม่เห็นทุกคนนั้นก็ไม่เห็นธรรมเราจะไปเห็นทุกได้ไงเราคุยกับสุขอย่างเดียวอะทุกไม่คุยเลยอะผู้เจ้าตรงกันข้ามเลยบอกตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกคุณไม่มีทางเห็นธรรมได้เลยบัดนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่เป็นแนวคิดใหม่เออตอนนี้คุยกับทุกบ้างถามว่าเออทุกมาจะไงมาไงมันจะได้แก้ปัญหาถูกจุดอันนี้คือสารธรรมสำหรับ ฝั่งเรานะครับคืนวันนี้คิดว่าคืนนี้คงไม่ใช่คืนสุดท้ายของพวกเราเรายังมีโอกาสมีเวลาแก้ตัวยังมีโอกาสที่จะโสงกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคือใจนั่นแหละเป็นปัตถุประสงค์และเป็นความเป็นพึงประสงค์ของพวกเราทั้นทั้งหลายวันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังมาให้โอปานาจิโกน้องก็มาแล้วเพื่ออทิตยคือจะเพาะเจะจงความดีอันนี้ให้แก่คุณยาย บงกฎทัศนาพักซึ่งวันนี้ครอบครัวลูกหลานเหรนของขครอบครัวเจริญ <P ers> พิพัฒคุณ <P ers> เป็นเจ้าภาพแล้วนะครับลูกหลานผู้มีบุญคุณญาติพี่น้องทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพแต่วันนี้ <P ers> ขอความดีที่เราตั้งใจฟังในวันนี้ที่สมบูรณ์ได้ด้วยสินคือตัวเองมีสิทธิ์แล้วแต่นี้นะทุกคนมีสิทธ์เป็นมนุษย์แล้วนะเป็นสมาธิเกิดตั้งใจฟังปัญญาคือคิดได้โอ้มันถ้าเราทําได้อย่างนี้ นี่นหน่อยก็จะดีอย่ายเพ้อเรื่องสินอย่างเนี้นอ่ปัญญาล้วอันนี้คือสิ่งที่ผู้เจ้าบอกเราใจสิกษาถ้าทําอย่างนี้ครบมันจะเป็นพลังเคลื่อนของพวกเราทั้งหลายครับเคลื่อนทั้งจิตของเราให้มีสูงขึ้นกว่าเก่าถ้าจะไปก็ไปดีกว่าเก่าถ้ากรมใหม่ทีก็ดีกว่าเก่าดีกว่าจะไปต่ากว่าเก่าถ้าเราทําอย่างนี้ไม่มีตกต่ําแน่นอนอันนี้คือสารธรรมที่เราฝากพวกเราทั้งหลายข้ามคืนวันนี้อขออนุามทนาความดีที่พวกเราทุกคนในวันนี้ ขอขอในอันนี้จงไปถึงแก่คุณยายบงกฎภัฒนาพักผู้งลงรับไปแล้วพัฒนารู้นะทราบก็คงจะเอาโมทนาในความดีคงอกขอบใจขอบคุณพวกเราทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้การแสดงธรรมวันนี้ก็สุขควรแก่เวลาไอวังก็มีอุปการและชนีด